ผู้จะไปสู่สุกติได้เพราะศินสีเลนโพกสัมปทาผู้ที่จะมีโพคะสมบัติบริบูรณ์สมบูรณ์ได้เพราะสิลสีเลนะนิพุติงยันติผู้จะไปสู่นิพพานได้ก็ด้วยศินเช่นเดียวกันเพราะนั้นศินเราจะไปมองข้ามว่าเป็นของเล็กน้อยสินีห้เป็นเครื่องคุ้มครองให้พวกเราเดินไปสู่มรรคผลนิพพานได้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 ตกนรกคืออะไรคือไปอยู่ในห้องขังนะไปอยู่ในห้องขังนะตกนรกเมือมนุษย์นะเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะทาญาิโยมทุกหมู่เหล่าทุกทุกท่านนำมาคิดนำมาพิจารณาการาการกรองไตรตองเหตุและผลทาคำสอนของพระพุทธเจา้าถ้าหากว่าพวกเราเป็นผู้มีสินสินคุ้มครองคนมีสินท่า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 ตัวเล็กๆที่ไปกับพ่อไม่รู้ที่ไปนอนที่ไหนไปมุดเขาต้องท้องเกวียนพอหิมะเห็นพ่อมาเบืดข้ามเข้าข่าเข้าไม่รู้จะไปที่ไหนหมุดเขาไปในท้องเกวียนแล้วก็นอนพอนอนทีนี่อมนุษย์อมนุษย์ก็คือพวกพวกผีกระสือพวกผีอะไรก็ไม่รู้หะอัอมนุษย์สิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ทีนี้ก็อมนุษย์คนหนึ่งอมนุษย์ตนหนึ่ง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 ก่อนหลับก่อนนอนก็นให้ภาวนาพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธเ อ, อ่อเรือกว่าก่อนนอนก็นอลาหังสวาง่าขาโตสุปฏิปันโนอ่พุธทธังธรรมังสังขังก่อนนอนก็นให้พุโทโธพุธโทโธนะเ อ, อ่อพ่อแม่เขาก็สอนอย่างงั้นแต่ี้เด็กคนนั้นมันก็นหมดที่พึ่งใช่ไหมพ่อก็ไม่เห็นออกไปเพราะพ่ อ, พ อ, พอตามวัวเข้ามาในเมืองเขาปิดประตูเขาไม่ให้ออกไปแต่นีนเด็กคนนั้นก็ น, นอนอยู่คนเดียว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 แต่ไหนเขาก็พุทโท้พุดโท้พุดโท้พุทโท้ค่ะวันนะเขาล้ำลึกถึงพระพุทธเจ้าเลยทีนี้อเอามนุษย์คนนั้นได้ยินกระโดดเยงเลยทีนี้อพอเอามนุษย์คนหนึ่งที่เป็นสัมมาทิฏเตยไม่ได้นะถ้าเธอทําอย่างนี้ไปเนี่ยเจ้านายใหญ่ของเราเนี่ยไปหาเจ้านายเจ้าต้องมีโทษต้องลงโทษอคนที่ไปทําความชั่วอย่างนี้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 อพอตุงเช้ามาพ่อก็เลยรีบออกไปเอาวัวล้อออกไปพอออกไปไปถึงลูกชายอพวกในเมืองเธอก็ว่าเนี่ยจานทองคําของพระเจ้าเปรศหายไม่รู้หายไปไหนแต่คนทั้งหลายออกออกคนละทิศคนละทางกันเลยพวกตํารวจนะออกไปก็ไปเห็นจานทองคําอยู่ใต้ถุนกเกวียนไงเขาก็จะจับพ่อที่นี่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 วันนั้นขอให้พวกเราคณะนัทายาตโยโมุกลูกหลานทุกคนนะทุกทุกท่านนะให้ฝึกหัดไว้เรื่องภาวนาไม่ใช่ของพระนะเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลาย ส, ต, ส, ญญสติสัมปัญญะคนที่มีสติสัมปัญสัมปัญญอยูกับตัวเองไปอยู่นาจสถานที่ใดดีทั้งหมดนั่นแหละถ้าว่าคนขาดสติมากๆแล้วเป็นยังไงพวกเราก็คงเห็นผมยาว